ยุดถึงท่านจะอดอาหารพวกข้าพเจ้าจะแทรกอาหารเข้าในลุขุมขนของท่านพระองค์บอกอืมเราก็ได้ตัดเราได้บอกว่าเราจะอดอาหารอแต่ถ้าเอาเถอะเราจะไม่อดอาหารทีเดียวเราจะอดอาหารทีละน้อยละน้อยเพื่อไม่ให้ม่ให้เสียคําสัตว์ของเราที่เราจะจะอดอาหารผลนี้สุดฉันอาหาร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 จากนั้นพระองค์ก็เริ่มฉันภัะกาย า, ารพอการเริ่มฉันพระกาหารเท่านั้นปัญจวคีทั้งห้าเห็นบอกสิทธะกลับมาหากิเลสอีกแล้วที่แรกก็อดพระกาหารจนล้มสลบคิดว่าจะได้สำเร็จก็ไม่ได้ได้มาอดพระกาหารทั้งสี่ิบเก้าวันดูแล้วก็กลับมาฉันอาหารอีก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 ปอมชฌานเข้าสมาธิสเสวยความสุขปีติสุขเอกขตานะจนถึงฌานที่สี่มีแต่อุปเบกขาเอกขตานะเป็นฌานาที่สี่มีแต่สุขกับเอกขตานะเอกขตาคือความวางเฉย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 สัพพสัตทั้งหลายคู่คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายแต่ละคนเกิดมาอย่างไงตายอย่างไงแล้วมาอย่างไงมาเกิดที่นี่แล้วตายมันจ ะ, จะไปที่ไหนพระ อ, องค์รู้หมดอีกเหมือนกันเพราะว่าตูปปาตยาการจุติของสัรพสัตวทีนี้กพอพระองค์ก็ดูดูดดพระ อ, องค์เองเถิดดวงวิญญาณดวงนี้มาจากไหนจึงมาวกวนเวียนมาเวียนไหวาตายเกิดสัรพสัตว์ทั้งหลาย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 หลุดพน้นไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงปล่อยวางนี่ะในวันนั้นวันเดือนหกเพดนั้นนี้นนแ่ละคือความเป็นมาของพธธุทธะอันดับแรกพระองค์ปฏิบัติตนปฏิบัติตนอย่างไรก็เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายท่านไปส่องหาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือค้นคว้าในเมื่อค้นคว้าท่านค้นคว้า